ปฏบัติวันนี้จะเอาประเด็นในส่วนที่อยากจะเรียกว่าการใช้พลังนี้าเพื่อบำบัดปัสสาวะสิ่งเหลวไรออกไปจากตัวเราหรือออกไปจากบุคคลที่เราดูแลส่วนใหญ่ที่ออกไปจากสึ่งที่อยู่ในความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ของเรา ออธิบายทาความเข้าใจในส่วนตรงนี้สักนิดหนึ่งคือโดยหลักของทางศาสนาเนี่ยตาแมแนวของใิปัญหที่แตกเราก็จะพบว่าบางคนที่หนึ่งกับบางคนที่สองเนี่ยคือการไม่คบคนผ่านและการครบบัณฑิตภาพเนี่ยก็เหมือนจะเป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัวคือเห็นแต่จะได้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ อันนี้เป็นความคิดในมุมหนึ่งของของเรานะความจรงก็ไม่มีใครเคยพูดของเราก็คือของผมเองจึงจะได้เคอให้ข้อสังเกตแต่ก็ทําความเ ข, าเข้าใจกันไปแล้วในบางที่คือที่ว่าเหมือนเป็นความถึงอิจตัวหรือเหมือนเปความถึงก็ได้นี่ก็คือว่าโดยธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะคบหาใครหรือจะไม่คบใครเนี่ยก็มักจะเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นดีตัง เป็นบางคนเนี่ยจะคบคนต้องรวยเท่านั้นถ้าไม่รวยไม่คบเลยรวยนี่จะหมายถึงว่ารวยกว่าตัวแล้วก็ถ น, นัดนักที่จะคบหรืออย่างน้อยก็รวยเท่าตัวหรืออย่างน้อยก็ร่ํารวยใกล้เทียงกับตัวหรือไม่อีกทีก็ต้องเป็นคนที่อ่าจะมีประโยชน์อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวในรูปใจ ร, รูปหนึ่งแม้แต่ว่าออคนที่มนาจนะฮะที่จะอำยประโยชน์ หรือแม้อีกทีก็ต้องเป็นคนที่มีมีคุณค่าเลยทุกอย่างที่ตัวเองตองประสงค์จพื่อจะอยายามควบคนตรงนั้นอแล้วก็เวลาเราจะไปปลูกบ้านปลูกช่องเลือกจำเลยที่ทำมาค่าขายหที่อยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็จะเลือกเลือกว่าที่นี่เราไม่อยากไปพร้างผลประโยชน์ตัวน้องนี้ในทางสังคมเนี่ยนะฮะที่นีเราอยากไปแม้แต่จะเข้าโรง่รียนโรงเรียนตรงลูกส่งหลังเข้าลงเรียโรงเรียนก็จะเห็นเราก็พบความเห็นแก่ตัวเข้าไป ว่าอยู่โรงเรียนอย่างนี้เอาเถอะโรงเรียนจะเป็นยังไงก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราเกือจะลืมนึกไปนะะแต่สังคมดีเราอยากจะให้ลูกหลานมีเพื่อนมีฝูงเป็นลูกของอลูกคานหลานเธ่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะที่การทำอย่างนี้จะสะก้งองกับบงคลข้อที่ที่หนึ่งที่สองหเปล่าคือไม่ยอมส่งลูกไปเรียนมัดไล่หิ่ง ไม่ใช่โรงเรียนวักแต่วัดอะไรจะตามจะนี้น้อยวัดที่ ท, ที่บริยานจะส่งรูกไปเรียนกันนะอย่าวัดเจดีหลิงก็ยิ่ชั่วหน่อยออย่างนี้นะผมีรนที่คิดว่าถือว่าเป็นการปฏิบัติตามคนคนหนึกสองหรือไม่ทีนี้เรามามองในมุมนี้ในมุทางศาสนาว่าไม่ครบคนผ่านเราเพูดถึงคนที่เป็นผ่านเนี่ยบางทีก็คือเป็นผูดจนในทางคุณสมบัตภายใน คือทำมาสมบัติแล้วคนที่เป็นบัณฑิตก็คือคนที่รวยทางทำมาสมบัติทำไมเราจะต้องคบแต่คนรวยเนี่ก็เหมือนเราจ้า ง, งตัวกบคนรวยแลหรือจ้าง่องในก็คนรวยในก็ ค, คนจนในแง่เขาทำมาสมบัติทำถูกหรือไม่อจะเป็นในแง่ของทำมาสมบัติหรือโลกสมบัติก็ตามเนี่ยครับไอจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้หรื อ, อยู่ตรงที่ว่า การอยู่ที่ไหนมีผมจะโยงมาถึงเรื่องการแต่เมตตาเพื่อจะได้ไม่มีข้อกังขาตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะคบให้หรือคบเอาถ้าเราครบให้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ยอมคบคนพานท่านก็คบคนพานทั้งนั้นท่านไม่ได้คบบัณฑิตสักท่านเลยเพราะว่าคนที่เก่งเท่าท่านดีเท่าท่านสูงกว่าท่านไม่มีในโลกนี้ เัรนั้นท่านก็จะได้ครบกับพระเจ้าองค์กรเป็นเพื่อนก็บปริษานี้ผานกันไปหมดแล้วครบไม่ได้เท่ากันก็ไม่ได้ก็เลยต้องครบคนผ่านเพราะนั้นมงคลสามสิบแปดตำลักพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านทําไม่ได้ใช่หรือไม่ก็สังเกบว่าท่านไม่ได้ทําแต่ไม่เป็นเรื่องผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ครบให้คือคบกับใครเนี่ยท่านให้ เพื่อทําให้คนดีขึ้นอ่าีนี้เราเองเหมือนกันนะเราเองเนี่ยเราก็พบคนบางคนเนี่ยอ่าความชั่วเยอยกว่าเราไมชั่วกว่าเราความดีน้อยกว่าเราเราก็คบคือดีทำแล้วก็ให้เขาดีขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยไอ้ความสุขในชีวิตความสําเร็จในชีวิตในเรื่องต่างๆก็อาจจะได้กว่าเราแต่เราก็พบแต่ว่าบางทีก็ เราอาจจะเที่ยวกันเบ็ด ด, าด่างๆบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเรื่องของความสุขในชีวิตเหมือนอย่างรายที่ตายแล้วก็ดังไปทั่วโลกนเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องสวยในเรื่องชื่อเสียงแต่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความสงบสุขในชีวิตเป็นชีวิตที่รวยและอัศจรรย์มากมันพลิกผันอย่างอย่างรุนแรงน ะ, ะจากคนที่ก้าวขึ้นมา มีอนาคตมันสดใสว่าจะได้เป็นเป็นพระราชนีของเกิดเจ้เลี้ของโลกถ้าเป็นก็เป็นพระราชนีของโลกเนี่ยขนาดนี้ไม่เป็นพระราชนียังเป็นเจ้าหญิงของโลกใครก็พูดถึงยังกับผู้นําของประเทศที่สําคัญคนหนึ่งอายุแค่สาสิกปีแล้วเนี่ยแต่เสร็จแล้วมันก็ผันผวนนะฮะผันผวนมากเลยทีเดียวแต่อย่างเนี้ก็เป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จบางส่วนแล้วก็ล้มเหลวบางส่วน และคนในสังคมเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นลักษณะสุขสุดเด็ดเดให้เราเห็นเนี่ยมากมายไปหมดในประสบการณ์อย่างที่ผมได้คบหาเกี่ยวข้องอยู่ดังนั้นชีวิตเราเนี่ยเราจึงอยู่ในสองฐานะขอให้ไม่เคยเป็นสองฐานว่าฐานหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราครบเพื่อจะเอาแต่คำว่าเอาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความละโมบจะต้องเอาด้วยความโลภ จริงๆเราเอาธรรมะก็ไปมาเอาเรื่องความโดยความโลภใี่ไหมไปเอาไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อเอาเอายานเอาเอาความไม่ทีจิเล่ตเอาความบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไม่จะเหลืองความโลภเอาบุญก็ไม่จะเหลืองความโลภอนี้การคบไม่คบคนผ่านในกรณีที่เราเราคบเพื่อเพื่อเอาเนี่ยคนใดที่เราคบเขาแล้วเป็นฝ่ายเสียผลทําให้เราเลวลงนะฮะ ทำให้เราได้หลงในเรื่องของความดีเรื่องความสุกสติปัญญาเนี่ยให้เราหลีกให้เราลแล้วเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั้นต่ำกว่าเราที่เป็นคนผ่านที่เราเองเป็นฝ่ายจะต้องแพ้หรือจะต้องเสียประโยชน์คือเราเองเนี่ยอาจจะจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนสาหรับคนประเภทนี้เนี่ยนะครับทื่คนผ่านเนี่ยเราก็ยิ่งต้องระวังคือไม่ครบ้็ตัวเราจะเสีย เรารักษาเปประโยชน์ในเรื่องของเจริญธรรมมโนธรรมเราส่วนบัณดิตเนี่ยเราพบเขาเพื่อที่จะรับถายพลังอาจากเขาเนี่ยในแง่ตัวอย่างก็ดีหรือในแง่ของการถอนก็ดีโดยตรงก็ดีโดยอ้อมก็ดีเราก็จะต้องคบเพื่อที่จะทําตกลงว่าไม่คบก็เพื่อไม่ให้เร็วลงพบก็เพื่อให้เราดีขึ้นในแง่ของการมาแต่ถ้าในส่วนของการให้เนี่ยเราก็คือจะต้องให้คนที่ต่ำกว่าเรา ช่วยเขาถ้าอย่างนั้นเราก็ก็คบเขาเพื่อที่จะให้เขาแล้วก็บางทีคนที่เขาเขาดีอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้ไปคบเขาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่รู้ได้อะไรเขาอนนี้มันก็เป็นหลักอย่างนี้ก็ตกลงว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องในทางกุศ ล, ลจิตไม้ใช่เรื่องของความละโมบอย่างวิสัยของโลภะหรือเรื่องของความเพียงเกียดังตามวิสัยของโทสะ เัีเกคนชั้นต่ำกว่าตัวด้วยโภสะก็เป็นกิเลสไม่ได้เอาเอาความดีความงามหรือคุณค่าทางกิยธรรำมาเป็นเครื่องกําหนดท่นนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะไม่คบคนผักก็ให้ตั้งหลักว่าคนที่เราจะต้องระวังเนี่ยมันมีสองจุดนะคือหนึ่งจุดในแง่ของคนที่มีพลังทางทางปากทางความชั่ว ที่เราเองเรารู้ว่าไอ้ความเข้มแข็งของเรากับความชั่วของคนบางคนเอาไปว่าบางคนอะไรนะเรารับไม่ได้ครับรับไม่ได้เลยว่าเรายอมรับไม่ได้นะ่ะคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนหยัดตัวเองอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาโดยที่เราไม่หวั่นไว้ไปด้วยความโลภหรือความชังความโกรธได้ ตรงนี้นะก็เห็นจะเป็นกันทุกคนแต่ว่าเงื่อไนไขต่างกันเช่นบางคนเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในที่นี้แม้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองก็ตา่างอยู่ใกล้แล้วใจมันมันเสียใช่ไหมมันคิดมากมันหงุดหงิดมันนอนไม่หลับมันสาประพที่จะเป็นดูดูดูทุกคนมันเกิดจะเป็นอย่างเงี้ย เมื่อจะที่ทํา ง, งานหรือที่ไหนก็ตามที่มันรู้สึกว่าเราคนไม่ได้กับกับการที่ต้องคบคนนี้มันคือคบแล้วอยู่ใป้แล้วมันเกิดกอิเลทเอาง่ายๆไอเราจะบอกว่าก็คมที่มอก็ได้ได้บางคนได้เป็นบางครั้งอาจจะเป็นไปได้แต่ในบางคนและในหลายๆครั้งมันมันเอาไม่อยู่ถ้าเราจะต้องยืนอยู่ตรงจุดนั้นในตําแหน่งนั้นใกล้กับคนนั้นมันก็จะต้องไม่ทําแล้วก็ถอยไปแล้วก็ต้องถอยไป ใช่ไหมฮะมันก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้การที่เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีในแง่ของทางกายภาพเนี่ยมันเกิดจะมีข้อจำกัดบางทีทำแล้วมันก็เสียงเช่นเราจะไปบอกว่าให้ข้างบ้านของแกกินเล่าส ง, งเสียงเจ้าจ้าทุกวันแกย้ายไปคนหน้าฉันมันจะไปทำได้ไ ง, ไ ง, ไง่ายๆไงใช่ไหมที่เราตำรวจมาจับมาไลา่มันก็ไม่ได้ เราไม่ได้มีอำ น, นาจวาสนาใหญ่โตขนาดนะแล้วมันก็เห็นจะญ่โตเกินไปนะไอนนจะไปบอกเ้าเลือกกรขอกงอเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าในทางทางจิกเนี่ยมันมันมันมีทางเลือกมันออกมาในโลกของบัวไม่ท้ำน้ำไม่คุนแล้วบางทกีก็กลายเป็นเรื่องของการสร้างมิตรไม่พอสัตรู ทั้งสองอย่างแต่ว่าผมก็พูดในมุมของการใช้ความสามารถในทางจิตเท่านั้นซึ่งไอตรงนี้มันก็มีความละเอียดในการตั้งมนุษการอยู่พอ ค, ควรไม่งั้นเราก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะที่ไม่ถูกต้องในการทำจิตแลอในการแผ่จิตในลักษณะนี้ได้นี้อไอตรงนี้อ่ะ เรากำลังพูดถึงไอ้กรณีของของอปัญหาของคนนะฮะที่มีความชั่วหรือ ข, ข้าในทางจริยธรรมกับสองผู้มีวิบากถ้าวิบากนี่มันหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความผู้ความเดือดร้อนของเร า, เ, าเรื่องนี้นกะ็เห็นจะจริงอย่างที่ทางศาสนาเราพูดนะฮนะคือมาพิจารณาดีๆแล้วก็เป็นจริงเพราะว่า เราเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้คนมีบุ ญ, บญจะมีดินเบลซาบุญัางไหนถ้าคิดทางหนึ่งมันก็เป็นโลภะคิดอีกทางหนึ่งมันก็เป็นกุศลได้เช่นว่าคนมีบุญมีพลังทํำสูงแล้วก็เห็นว่ า, าวงสมคุลถึงแม้ว่าทําเหล่านี้จะมีน้อยน้อยตัวหน่อยอสมมติว่าเราจะเอาความเจริญในธรรมแล้วก็ไปอยู่ใกล้คิด กับท่านผู้มีตราหนัธรรมสูงเนี่ยมันรู้สึกเห็นเห็นเลยว่าเราได้รับประโยชน์ในทางทางธรรมะเนี่ยถ้าเอาเป็นว่าธรรมะปฏิบัติที่เราเห็ น, นกระจัดเนี่ยนะอย่างมากทีเดียวได้พลังแต่ท่านนี่ยมากเพราะฉะนั้นจรงเราจรึงเชื่อแล้วก็มีการกระทําการอันหนึ่งใกล้ายกันว่ า, ามีการจัดหมู่บ้านธรรมะในแหล่งที่เป็น ที่จปฏิบัติทํามานะเนี่ยอ่าก็ให้คนนั้มาอยู่แล้วก็จะมีบางคนที่เป็นเรียกว่เป็นเป็นขวัญเป็นกําลังใจอา่าของคนที่จะมาดเลยว่ามางทแล้วก็อยากใกล้คนนี้มาอยู่ก็ อ, อยากจะอยู่ใกล้คนนี้อขนาดว่ายัางเป็นนั่งปฏิบัติได้กันเนี่ยนะถ้าไปนั่งใกล้กับคนที่ต้องมีธรรมะเยอะๆเนี่ย ไม่รู e ้สึกด้กำลังใจไงก็ไม่รู้นะบางทีท่านเองท่านอาจจะเป็นอยู่บ้างเวลาที่ไปกับใครที่เขาเขาได้สัมผัสอะไรท่านได้นะหรือเราไปนั่งอยู่กับคนที่เรารู้สึกอะไรจับชีวิตจับท่านได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออพอเราจะพื้นสร้างพอเราจะยิงซีได้จนหนึ่งตบพขลืมตาขึ้นมาเห็นท่านนั่งอยู่เราได้กําลังใจรู้สึกตัวกระชุวงกระชวยขึ้นมาเยอะเลยครับ อันเรียกว่าอยู่ใกล้ไปบุญของคนที่มีกุศลวิบากจะทําให้เราได้ดีได้ได้ได้ได้อะไรบางอย่างเนี่ยนะเป็นเรื่องของความุึกในแง่ธรรมะตามในแง่โลกธรรมยึงกันว่าอถนนบางสายเนี่ยทําซะอย่างดีไปแถวบ้านเพื่อนแถวบางโพ่ะบอกถนนบางสายทำซะอย่างดีเพราะอะไรเพราะว่า เจ้ใหญ่นายโตท่านมีเพื่อนอยู่ที่นี่ท่านมาหาเพื่อนท่านบ่อยถ่านนก็เลยดีใหญ่ตามนายไปด้วยใหญ่ตามคนมาไปด้วยก็เลยทําให้พวกลูกช้างลัดสายที่ที่คนที่นั่นพลอยสบายไปด้วยท่านถ้าเราอยู่บ้านใกล้คนมีบุญเนี่นยนะรู้สึกว่าก็ดีดีไปด้วยหลายๆอย่างท่านี้เป็นเรื่องการตกแผ่ในแง่ของวิบากานั่นพลังตกแผ่ของคนเนี่ย จะมนอยู่สองอย่างในแง่จริยธรรมกับในแง่วิบากถ้าเป็นจริยธรรมทางชั่วเป็นวิบากในทางอุปนิบาตก็จะถูกปกแผ่มาได้สิ่งนะั้นเพราะฉะนั้นใครที่บ้านอยู่แถวจังหวัดกรุงลินอะไรค่ะแถวช่องจอมอะไรเงีย้ยก็แย่นะแย่หน่อยเพราะว่าไปอยู่ใกล้ดินแดนที่เป็นดินแดนที่ก่อสร้างยางอุปนิบาตเยอะ ไม่ค่อยสงบสุขนะนี่เป็นธรรมดาเรื่องถ้าเป็นเรื่องสมัยก่อนก็คือว่าเรื่องอคนที่มีดวงวัดมีสะตาไม่ดีในเรื่องหวับเนี่ยกล้าโอสถกาศึกษาหรืออีกแลหลายคนเนี่ยครับที่ที่บอบทางนี้เยอะเนี่ยเวลาไปอยู่วัดไหนไปอยู่กับใครใครมาอยู่ด้วยแล้วก็พลอยลําบากไปด้วยบางทีเรียกว่าเหมือนเหมือนเราไปเดินบนปิ่นอยู่แล้วบ่อน ตำรวจมาปรดีเราลุนสักเลือดข้างนี้นก็เราไปเล่นการบั น, นั้นแด้บางทีแม่เก็ไปเหมือนในคนไม่ดีบางคนเท่าเนี้ยนะบางทีถูกพานเกิดไปด้วยอ่ะพันโดนอทำร้ายไปด้วยเพราะว่ามันไปคกล้กันเดี๋ยวเรนั้นเข้าอต่ทีนี้ถ้าอา่าเป็นเป็นเรื่องของความเป็นความตายก็อย่างเช่นอภรรยาของต้นผลที่นั่งเรือไปในมหาสมหมดแล้วก็เรือเกิดจะไปหยุดแล้วก็ไปผ่านไปอย่างนี้นะะ มันก็เกี่ยวกันมันมีส่วนเกี่ยวไอ้เกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตรรมคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งเหมือนพ่อกับลูกอะไรเงี้ยนะมันอธิบายได้เพราะว่ามันเป็นกรรมของคนสองคนที่คนหนึ่งเป็นคนหน้าคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่มีกรรมคล้ายกันแล้วก็ไปตอนไปเชื่อมกันพัดเนี่ยจะได้รับอิทธิพลเสริมจากกรรมของอีกคนหนึ่งมาถึงจะตากรรมของตัวทําให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตรงจุดนั้นจุดนั้นไปด้วยทีนี้ เวลาที่เราเราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไปไหนมาไหนก็ตามเนี่ยนะอย่างอย่างที่ไปตายกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นรูดตามแล้วก็เกิดไปได้วยกันก็เลยผลออกมาก็ือตายทั้งคู่เหตที่ไปทั้งคู่เนี่ยนะอเราจะเดินทางก็ดีเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยถ้า ไปกับคนที่มีาบาปจะต้องายแต่ว่าเราเองเนี่เป็นคนที่มีมีดวงแต่พูดภาษาเจ้บ้านก่าดวงแข็งมันก็จะสู่กัคือถ้าหากว่าคนหนึ่งมีตะบาสูงนี่จะคุ้มของอีกคนหนึ่งไดทําให้คนหนักเป็นเบาให้จะาอดก็พอยมีกินอย่างภาษีวิริ่งนะไลไปกับท่านทั้ง น, นไปที่ไหนก็ไม่มีทางจะอดเลยมีกินตลอด ว่าบุญท่านคุ้มบุญท่านคุ ม, คมถ้าต่ำของอีกคนหนึ่งแรงกว่าคนหนึ่งก็จะต้องเอมนไปตามพลั ง, ลงต่ำของคนนั้นระหว่างคนดีคนชั่วเนี่ยนะก็เป็นตะเกียงว่าถ้าคนหนึ่งก็จะมีีฝืนก็ฝืนได้พอสงคนรฝืนได้เยอะหน่อยจะมีดีมาก ถ้ามีชั่วมากก็กรรมของอีกคนหนึ่งก็คุ้มครองได้น้อยหน่อยนะถ้ามันมีพิบากชั่วมากก็คุ้มครองไม่ได้เลยทีนี้เราพูดถึงคนสองคนในแง่ของจรียธรรมคนหนึ่งมีเม่ตาคนหนึ่งที่โกรธแล้วก็เกิดมาคบกันถ้ามาคบกันเนี่ย <c oughs> ลองวัดดูก็ได้วัดดูจะ บการณ์ด้วยทดลองไปตัวเองว่าถ้าท่านเป็นคนที่โกรธและท่านไปอยู่ใกล้คนที่เย็นใครแพ้ใครช น, นะเนี่ยเออจะำตอบมันคือปาชูวักน้ำหนั ก, นนกและถ้าเราไปอยูออ่ใกล้คน คน อ, อื่นกับผู้สนทนอื่นเนี่ยมันก็จะออกมามันก็จะลากกันไปลากกันมาเพราะนั้นอย่างผัวเมียแต่งงานกันผัวเมียผู้ภรรยาในเคยเป็นคนใจขว้างแล้วมาแต่งงานกับสามีขี้ตืดแล้วก็มาอยู่ด้วยกันปรากฏว่าบางคู่เนี่ยมียกลายเป็นคนขี้ตืตามผัวไปด้วยแต่บางคู่เนี่ยครับอฝ่ายภรรยา ทำให้สามีใจว่างรึเพราะว่าภรรยาเนี่ยไปพยายามเข้าใจผู้พูดต่างแล้วก็สําเด่ความน่านักถือให้ให้สามีเห็นสามีก็รู้สึกว่าเออไอความนักถือความรักความจัตตาในส่วนตัวแล้วก็คํคาที่แจงคําอธิบายการกล่อมเกลาเนี่ยว่าทาให้ให้สามีเห็น嘛ทีนี้ไอบางรายบางทําลายที่ผมเจอมามันเป็นอย่างเงีย อภรยาใจกว้างสามีขี่ตึ่นเนี่ยมีคนหนึ่งนะกมันเคยมานั่งคุยอยูโวตอนนี้อยู่มันทั้งหลายปีสามีก็อย่างเดิมเอาก็อย่างเดิมแต่ที่เขาคิดไปจากเดิมว่าตรงที่ว่าเวลาเขาจะบริจาคอาจจะเสียตลาดเขาต้องแอบแอบทำไม่ใช่สามีเหทีนี้ผมก็อมองดูว่าที่มันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยปแปลว่าเราฝ่าภรยาเนี่ยเสียเปลือกเลยใช่ไหม เสียเปลือกจะไม่หมดเนื้อหมดตัวเสียเปลือกมาเมา่อก่อนทําเปิดเผยอะไรแต่นีต้องแอบ ท, ทาจะใส่บาตรี่ต้องเตือนกับเจ้าใส่รถเข็นไว้แล้วผ้ามาคลุมหลอ่อเอาลังม า, มาวางมาอะไรไว้นะรอให้สามีออกไปดูแลหรืไม่ต้องไปยืนตเก้าอยู่นะแล้วให้ต้นทางดูเป็นยังแล้วก็เขียนรถ่อหลังบ้านไปใส่บาตรละก็ทําอย่าง <S <S <ๆ S 1> อย่างนี้เรียกว่าทําให้เจตนานเนี่ยสร้างหมองเสียไปเยอะเลยทีเดียว ทีนี้ก็มองดูว่าเขาเองเนี่ยไม่มีไม่มีพลังสองอยา่างเหมืออย่างลายที่ผมว่ามาคือหนึ่งไม่เป็นคนมีลักษณะความเป็นครูคือรู้จักอธิบายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สองก็คือวางตัวต่ำไปหมดทุกเรื่องเป็นฝ่ายตั้งรักหมดก็เรื่องไม่เป็นฝ่ายลุกเลยก็เลยทําให้ไม่ได้สแสดงอิทธิพลแก่สามี อยู่กันไปอยู่กันมาปรากฏว่าสามีตายไปก่อนอสามีตายไปก่อนคราวนี้เลยทําบุญกล่องเนี่ยสบายใจไปเลยไม่ได้มาแต่งงานใหม่ได้คนใหญ่คนโตอนะเขาก็าเออจะทําไงก็ไม่ว่าก็เลยได้ทําบุญใหญ่โตมาโวลานเลยตลอดชีวิตอายุก็มากแล้วตอนนี้คือเวลาที่เราเอาไป็นว่ผมจะเริ่มจากในกรณีที่เรา อยู่ที่บ้านบ้านเราเนี่ยก็มีตังเลที่ตั้งอยู่บางคนก็โชคดีใช่ไหมเพื่อนบ้านที่ดีหมดอ่าอย่างบางราย ท, ที่ผมรู้จักเกิดทีแรกก็ไม่ดีหมดแต่ว่าท่านเป็นคนดีเป็นคน อ, อมนมุษยธรรมดีแล้วเป็นแบบอย่างของความประพฤติตั้งกระทั่งกลุ่มตั้งสมบูรณ์ขึ้นแล้วเด็กๆเดิมก็เขาลบรักเพื่อนบ้าน คนเฒ่าคนแก่คนตั้งก็ทา้งจมลุ่มขึ้นแล้วก็สอนโงนก็นักตือแในคนนักตือเนี่ยถึงแม้ว่าท่านเองจะไม่สามารถทําให้คนในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านที่ผมว่าหมู่บ้านทากอนดีแล้วบางักไม่ทําให้ทุกคนดีหมดได้แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาคือว่าทุกคนดีกับท่านหมดเมื่อดีกับท่านก็หมายความว่าบ้านท่านก็ไม่เดือดร้อน ทุกคนเขาก็ดูแลเอาเจือเป็นหนูเป็นตาอย่างงนะแต่อย่างนี้ฉันก็ตป็นกวางมาเลกั่านแต่ก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของเมตตานะเอาละทีนี้เราก็ย้อนกลับมาว่าให้เราเองเนี่ยเราอยู่ทุกวันนี้บ้านของเราอยู่ในทำเลที่เราพอใจไหมเพื่อนบ้านเราดีไหมพอใจมไหมไ ม, ไม่ต้องบอกผมนะให้เ่อนรองนึกกันเาเอง ต่างคนต่างหรืแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือว่านานข้าวมันดีขึ้นรือานานข้ามาเร็วลงบางไดเนี่ยอยู่มาต้องแต่ละไม้กอนะเป็นท่องไร่ท่องนาก็อยู่ไปอ ย, อยู่มากลายเป็นสลับไอ้ที่นั่นก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนบ้านที่ติดยาเสจติ ด, ตดกินยาบ้าขายยาบ้าอยู่ไม่เป็นสุขอย่างนี้ก็มีเป็นตัวอย่าง ดีดีผมเห็นนะเมื่อเราไม่อยู่ไมวันวัดเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับเราจะต้องทําความรู้สึกกับตัวเองไม่พูดถึงเป็นริบบานเลยนะว่ า, าบางคนเนี่ยเราก็เป็นต้นแบบให้เขาทำให้เขาดีได้เราก็คบอย่างผู้ให้นะคบอย่างผู้ให้วางตัวอย่างผู้ให้แต่เมตตาอะไรก็แฝงในทาให้ ในลักษณะที่ทำให้เขาดีขึ้นจะได้เป็นเพื่อนบา้านดีๆแล้วก็สองในรายที่เราไม่สามารถจะให้เขาได้ไม่สามารถจะเป็นผู้ให้ได้เราอยู่แล้วก็ยังถูกอิทธิพลของเขาเพราะว่าไ อ, ไอ้ความช่วของคนบางคนเนี่ยมันจะได้เหตุผลได้หลายอย่างนี่นะ่เราไม่สามารถที่จะปรินกขได้ไม่สามารถจะครอบงำเขาได้แต่เราเนั่นแหละจะเป็นฝ่ายถูกเขา ครอบงมหรือทำให้ให้เราเดือดร้อนในรูปใด ร, รูปหนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าคนมันแพร่กันคนดีคนมีธรรมะมางทีมันแพ้่คนไมะเกิดนะอ่สังเกต ด, ดูัะฉะนั้นถ้าไปซื้อสาวเฮารูว่าติดกันโหติดกันจริงๆสาวเอานี่นะติดกันก็แล้วก็ไมได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีโอ้อยู่ไม่เป็นสุขบ้าน ไม่เป็นวิมารไอ้ในบ้านมัเป็นนะแต่ว่าไอ้ข้างบ้านมันในรกมันกินเล่ากันมันร้องกลําทําเพลงกันไอ้แค่นั้นไม่พอมันยังพูดจาการแหน่แหน่เหน็บหนะ่ไม้ได้เดือดร้อนใจอย่าเงก็อยู่ให้เป็นสุขอ่าก็เลยต้องทำอะไรบางอย่านงะเวลาเรา นบ้านเลยนอันที่หนึ่งนี่ก็คือว่าเราจะต้องแพรในลักษณะของการมิดคือทำให้ต้องมีศักษณนกติที่ดีกับเราก่อนถึงเขาจะไม่ถึงเขาจะโลวก็ขอให้เขาเป็นเลวคนอื่นนี่เ็าเรียกว่าเขียหมาเน่าไอ้คนหน้าบ้านเนะไอ้ตองน่้นเราไม่ได้ไปคิดหรอก แต่ว่าถ้าเราเนี่ยขอให้เขามีท่าทางสติบิดีครับซึ่งมันเป็นไปได้ครับเพราะ ว, ว่าไอ้คนเลวคนหลไรเนี่ยวางทีเขาเขาหันมาทางบ้านเราก็ดีเจอหน้าเราก็ดีแต่กัคนอื่นเขา อ, อาจจะยังไงเราก็เราก็ไม่ไปตัดตัดกันาง น, นั้นเลนะแต่ว่าเวลานั้นจีิแล้วให้เขาดีคนอื่นด้วยแต่ว่าผลที่มันออกมาเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ทําอย่างเราไป่ได้แป่เทศตามไม่ได้ให้พรไม่ได้ทาําทังฆาวัตถุอย่างเราเนี่ย แน่นอนแล้วครับเก็คงจะไม่อาจจะดีได้เหมือนในที่เขาดีกันเผมเคยขอยยืมมีหลายปีปนะเคยขอ ย, ยืมเงินเพื่อนบ้านห้าพันบาทที่ขอยยืมตอนนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้เงินโดยด่วนตอนนั้นมาก่อนห้าพันบาทเนี่ยทีนี้เพื่อนบ้านคนเนี้ยเขาเป็นคนออกเงินกู้ที่หน้าเลืองมาก ร้อยลยยผมก็ไม่ไเได้เห็นสิงนี้แต่เขาก็รู้จักกันนะเจ้หน้านก็รู้จักกันก็ให้คนไปเขาหยิบเอาละผมจะยอมเสียคร้อยเลยยีสิบ ม, มู้จะได้รู้รส้าตเป็นไงบ้าก็ให้แตกูปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยผมก็อัดสัจจานเขาได่มีชื่กอกระดูกกระดูกมากเขาเรียกเป็นใหญเข็มใหญ่เ็มเ ผมแต่ใจว่าเขาไม่เอาผมนะไม่เอาไอ้ดอกเบี้ยผมเปลเมื่อไม่เอาเลยผมก็จําเป็นต้องรีบขึ้นคือเขาเปลียใจเดี๋ยวเขาเอา <c oughs> ก็จะเสียควารู้สึกที่ดูต่อกันก็กปล่าเออก็ยังไม่กว่าเออคนเราจริงยังไงก็ยังมีข้อยกเว้นบ้างนะน้อยลนเลยยี่สิบเมตรไม่ยี่เดือนนะคุ้มต้องเลย คนของเงินรวยคนกู้จนอให้เราก็เข้าใจว่ามันมันเป็นเป็นข้รอะไรนะเราก็รู้แต่ว่าเอาแท้ๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้แต่เราก็ก็รู้ว่าเราก็แผลในตาแล้วเราจริ ง, รงๆเราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเขา